หยุดการเคลื่อนไหวส ง, งบฟังเสียงอยู่ที่นั่นอีกอึดใจใหญ่รับผินก็พยักหน้าเป็นความหมายเตือนให้หล่อนคืบตามเขาต่อไปบริเวณนั้นราบต่ำลงเป็นลําดับครูเดียวทั้งสองก็พบตนเองอยู่ในวงล้อมของต้นลานตี่เตี้ยสลับไปกับสุมทุมพุ่มพฤกษมองเห็นสิ่งรอบด้านได้ในระยะไม่เกินยี่สิบหลาพรานใหญ่ยันกายจากท่าที่หมอบคานอยู่ลุกขึ้นยืนค่อมตัวจรดฝีเท้าเข้าไปซุ่มอยู่ที่ซุ่มเถาวันเครือตอนหนึ่ง แล้วุดนั่งรงที่นั่นดารินย่องตามเข้ามาแอบอยู่ใกล้ๆโดยไม่เสียเวลาแม้แต่นิดหนึ่งตลอดระยะที่หล่อนคืบคานติดหลังเข้ามาอย่างลำบากยากเย็นเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า15นาทีหล่อนไม่ได้สำเนียกบี้แววหรือร่องรอยของช้างตัวใดทั้งสิน้นแม้จะพยายามใช้ประสาทหูประสาทตาสักเพียงใดก็ตามฝ่ายของชัยยันก็ดีหรือฝ่ายเสยกับจันก็ดีที่แยกกันไปอีกคนละด้าน ก็ยังเงียบเชียบดูราวกับว่าคนเหล่านั้นถูกป่าใหญ่กลืนหายเข้าไปอย่างลึกลับขณะ น, นั้นเองระหว่างที่พยายามสอดสายสายตาออกไปยังเงาสลัวคลุมเครือในรัศมีครึ่งวงกลมของทิศทางเบื้องหน้าหูของหล่อนก็สัมผัสกับเสียงอะไรชนิดหนึ่งดังแทรกมาในความเงียบมันเป็นเสียงดังคึกๆึกเบาๆแล้วก็เงียบหายไปไม่ถึงอึดใจก็ดังขึ้นอีก พรานใหญ่เจอริมฝีป่ากเข้ามาชิดถูของหลอนกระซิปเสียงน้ำลั่นในท้องของมันพวกมันอยู่ใกล้ๆเรานี่เองทั้งๆที่เตรียมกายและใจพร้อมร่วงหน้าอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าจะต้องเผชิญกับอะไรแต่ประโยคกระซิปของระพินที่ผ่านเข้าหูก็ทำให้หญิงสาวเย็นว่าบเข้าไปถึงไขสันหลังมือสั่นน้อยๆแทบจะระงับความตื่นประมาไว้เสียไม่ได้ แต่ระลมหายใจที่ป่านไปายามนี้มาดูช่างยาวนานเสือเกินและพินนำหลอนคานคืบหน้าอีกครั้งมุดรอบโพงเถวันอันเป็นด่านสัตว์เล็กอ้อมวกไปทางขวามือคราวนี้เสียงเป่าลมเบาๆอาๆอกจากปลายงวงเพื่อไล่แมลงได้ยินมาอย่างถนัดจากพุ่มไม้ใหญ่เบื้องหน้าลมในดงกำลังสงัดใบไม้เล็กๆก็ไม่กระดิกนี่เป็นสิ่งหนักใจยิ่งของจอมพรานเพราะไม่มีทางจะคำนวณอะไรได้เลย หากมันเกิดโชยขึ้นมาเมื่อใดกว่าจะรู้ว่าใครอยู่เหนือลมหรือใต้ลมนาทีวิกฤตก็ย่อมมาถึงเสียแล้วที่ก่อรวกเหนือเนินดินสูงเขาหยุดอีกครั้งเสียงพื้ภพอันเกิดจากใบหูกว้างใหญ่ที่กระพือลมอยู่เป็นระยะแว่วมาให้ได้ยินอีกครั้นแล้วหนึ่งในจำนวนของโงขงก็จะสารปีสีงก็ปรากฏขาหลังของมันข้างหนึ่งให้เห็นอยู่ในระหว่างพงไม้อันหนาทึบ มองดูผ่าดผ่าดราวกับรำต้นลานที่ขึ้นอำพรางตาอยู่ทั่วไปดารินตาไวพอใช้หล่อนเห็นเป้าหมายนั้นไร้เลี่ยกกับเขาขยับไรเฟริ่ประทับขึ้นแต่ก็ต้องชะงักเพราะฝ่ามือของรพีนแตะไหลไหว้จึงได้แต่สงบนิ่งกั้นใจมือสั่นอยู่จอมพรานกว่าสายตาไปรอบด้านสอดแทรกค้นหาไปยังสุมทุ่มบึ้มบึกที่เป็นฉากอัพรางอยู่ทั่วไปนั้นชนิดที่ไม่ยอมไม่สิ่งใดรอดพ้นหรือลวงตาไปได้ แล้วก็สะกิดหล่อนให้มองไปทางด้านซ้ายระหว่างยอดผู้ไม้เตี้ยๆตอนหนึ่งปลายงวงอันหนึ่งชูร่อนร่าขึ้นมาเหมือนพยายามจะสูดกลิ่นนั่นก็อีกตัวและในระหว่างเงามืดคลึ้มของต้นผากก็เห็นส่วนบั้นท้ายของอีกตัวกําลังยืนในลักษณะโยกไหวอยู่ไปมาไม่มีปัญหาพวกมันยังไม่มีโอกาสไว้ตัวเลยว่ามนุษย์ฝ่ายล่าลุกเงียบเข้ามาจนถึงตัวแล้วแต่ละตัวเท่าที่จะมองเห็นได้ในขณะนี้ อยู่ในอาการสงบเหมือนจะพักผ่อนในตำแหน่งที่ยืนของมันนานนก็ชูงวงขึ้นสูดกลิ่นสักครั้งเป้าหมายเหล่านั้นเห็นเพียงรับรับล่บรอๆเท่านั้นเพราะซุ้มไม้ที่บางกิกะอยู่ทั่วไปรวมทั้งเงาพรางตาแน่นอนที่สุดถ้ากระสุนลั่นขึ้นเปรี่ยงเดียวดงรอบด้านเหล่านี้จะปั่นป่วนเป็นพายุสระตันในพริบตาและบัดนี้ทั้งขาและดาลินก็เข้ามาอยู่กลางขโขงของมันเข้าให้แล้ว ไอแหว่งมหาการไปรยืนหลบอยู่ตรงตำแหน่งไหนนี่คือปัญหาหนักใจที่สุดของรพินยามนี้กระสุนนัดเดียวที่จะทําให้โขงของมันป่วนขึ้นหมดทั้งขบวนควรจะเป็นกระสุนนัดที่เล่นเข้าสู่สมองหรือหัวใจของไอจ่าโขงตัวสําคัญหาไม่เช่นนั้นแล้วมันแทบจะไม่ยังประโยชน์อันใดให้เลยดารินก็ดูเหมือนจะเข้าใจได้ดีในข้อนี้หล่อนมองจ้องมาที่เขาอย่างโกรธกรวายร้อนรุ่ม เงื่อซึมเต็มใบหน้าเซี่ยวของวินาทีก่อนการตัดสินใจอย่างไรถูกของรับินนี้เองลมในดงก็โชยเบาๆจากเหนือลงมาหาใตา้เสียงเจ้าตัวหนึ่งซึ่งจับกลิ่นผิดกติได้แผดร้องเตือนสัญญาณภัยขึ้นก่อนอึดใจนั้นเองทั้งโขงที่แยกย้ายบังเงาอยู่ในที่ต่างๆก็ส่งเสียงแหลมยาวประสานกันขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดเช่นนี้ สำเนียงของมันสะเทือนผ่านแก้วหูแทรกลึกลงไปถึงหัวใจราวกับเสียงของมัจจุราชสีสามมะหึมาขนาดตุ่มสามโคฝ่าพ้นซุ้มไม้ออกมาให้เห็นถนัดด้วยใบหูที่โบกรี่ไปมามันยังไม่เห็นศัตรูก็จริงแต่สำเนียงในกลิ่นไอเสียแล้วไม่เปิดโอกาสให้แก่การใคร่ครวนใดๆไ ด, ได้ต่อไปอีกสำหรับพระพินภัยวันยิ่งเขาร้องเร็วปืกระโดดลงจากเนินดินตวัดปืนขึ้นประทับลา แต่ความจริงไม่จําเป็นต้องสั่งแล้วเพราะพร้อมๆกับเสียงร้องของเขานั่นเองจุด30มศูนแมนัมจากมือของหญิงสาวก็ระเบิดสนั่นวันไหวขึ้นอย่างดุดเดือดกลบเสียงร้องและความวุ่นวายของพวกมันหมดสิน้นหล่อนเหนียวไกลทันทีที่เจ้าตัวนั้นโผล่หัวออกมาให้เห็นถนัดกระสุนน้ําหนัก2องร้อยยกรัมนั้นทะลวงสวนเข้าโคลงวนของมันอย่างแม่นยำราวกับจับวางแต่อันจะเนื่องมาจากความคมและเร็วจนเกินไปของหัวกระสุน หรือจะเป็นเพราะความอดทนเป็นพิเศษในขั้นสุดท้ายของชีวิตแห่งมันอย่างไรก็เหลือที่จะเดาไอ้ยักษ์เพียงแค่สะานไปทั้งร่างแผ่เสียงกึกก้องแล้วก็ตะลุยปรีเขาใส่คนยิงอย่างบ้าเรือดดารินกระชากลูกเลืออย่างรวดเร็วกระหน่ำซ้ำเข้าไปอีกนัดพร้อมกับเผ่นออกจากที่วิ่งเข้าหากอรุ่กใหญ่อันอยู่เบื้องไปทางเบื้องหลังหล่อนไม่อาจทราบได้ถึงผลปฏิบัติการของกระสุนนัดหลัง พราะมันลั่นขึ้นพร้อมๆกับจุดสี่ห้าแปจากมือของพรานใหญ่ซึ่งพอขาดเสียงพยาคุตสารตัวนั้นก็โค้นเกลืนจนแผ่นดินสะเทือนเศษของกระดูกปนบริเวณขมับด้านทางออกของกระสุนกระเด็นหลุดออกมาขาวเวอร์ชิ้นทัฝ่ามือเลือดทรัพย์พรางเป็นสายทานมันใหญ่เรือขนาดแต่ไม่ใช่ไอ้แหวงในเวลาเดียวกับที่ทั้งสองเปิดฉากระเบิดกระสุนขึ้น เสียงไร้เฟื่จากด้านของชายยันและจันร์อีกสองพวกก็ประดังขึ้นทียิบสนันไปทั้งดงรบกวนกับเสียงป่าแตกไม่เป็นสัมเสียงร้องตะโกนบอกกันสลับไปกับเสียงปืนและช้างร้องฟังสยองไปทุกขุมขนเบื้องหลังของดารินผู้สารวนประทับ ป, ปืนหาเป้าหมายอยู่ในขณะนี้ป่าลวกแตกรูปเป็นทางเข้ามาอย่างรวดเร็วนางพังตัวหนึ่งชูงวงเหยาวใกล้เข้ามา รพินวิ่งสวนเข้าไปดักหน้าแย่ลําก้องปืนเข้าไปทางด้านศรีรษะของมันห่างเพียงไม่กี่วาระลั่นตูมจากนั้นก็เพลิดหลบเข้าข้างทางมันมันขนาข ม, มหน้าไปในทันทีส่งเสียงร้องแหลมยาวด้วยความเจ็บปวดโกรธแค้นพยายามจะชันตัวขึ้นมาอีกอย่างทรหณแต่แล้วก็ล้มตะแคงลงไปอย่างไม่ต้องซ้ํามันเป็นนาทีฉุกเฉินโอรมานที่สุดซึ่งชีวิตย่อมฝากไว้กับความรวดเร็วฉับไวในการปล่อยกระสุน และการหลีกหลบเอาตัวรอดอย่างฉลาดเท่านั้นซึ่งทุกคนที่ร่วมในเหตุการณ์พอจะคล่องแคล่วชำนาญดีอยู่แล้วอันเนื่องมาจากได้ไปชิญมาบ่อยครั้งยามนี้ทั้งเขาเ ล, ล่นหลอนไม่มีโอกาสที่จะคิดคำนึงถึงหรือดาวเหตุการณ์ของพวกพ้องทางด้านอื่นใดไ ด, ได้นอกจากเหตุการณ์ล่อแหลมต่อชีวิตเฉพาะหน้าที่เผชิญอยู่เท่านั้นป่ารอบด้านที่มองเห็นแต่ซุ้มไม้ยอยู่เมื่อครู่นี้บัดนี้มันดูเหมือนจะเต็มไปด้วยโขลงช้าง วิ่งตะรุยอยู่สับสนโรมานแทบจะนับไม่ท่วนแต่และตัวส่งเสียงร้องกึกล้องหยียบย่ำพุ่มไม้หักอยู่คลืนโครมอึงคนึงรอบตัวบ้างตระโดดเป็นพายุผ่านหน้าไปและบ้างกระพุ่งเข้าใส่ด้วยความดุร้ายอาฆาตสุดแล้วแต่มันจะเห็นโลกซี่ที่ประจันอยู่เหมือนจะถูกบทบังด้วยพายุพะการทมึนมืดเป็นภูเขาราวกาจ้าระวันไปหมดดูแทบจะไม่ทัน ดาดินยิงเผาขนเจ้าตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งที่ทะยานร่าเข้ามาหาร่อนใกล้ที่สุดถล่มคืนลงด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวอย่างเฉียบขาดแล้วตัวหล่อนเองก็ทลาวิ่งหัวซุกหัวซุนอ้อมหนีไปรอบๆโคนกอรวก่วงระพินเต็มไปด้วยความภาวะผวงเพราะมัวเป็นห่วงนายจ้างสาวเขาลืมนึกถึงตนเองหมดสิน้นสถานการณ์ร้ายมันเกิดขึ้นเกินกว่าที่จะแก้ไขหลีกหลบได้เสียแล้วท่ามกลางโขงช้างที่กําลังป่วนอนามาอยู่นี้ จะโดยเจตนาของพวกมันหรือไม่ก็ตามทั้งเขาได้รอนมีหวังถูกวิ่งเหยียบแหลกลานไปหากหลบไม่ทันหรือกำบังไม่แข็งแรงพอโอกาสที่จะยิงแทบไม่มีอยู่เลยนอกจากการหลบเอาตัวรอดไว้ก่อนจากภาพบูบวาบสันพราที่มองเห็นอยู่ในขณะนี้และหินใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนักมนุษย์วิทยาสาวคล่องแคล่วรวดเร็วระอาจหารเกินตัวก็จริงแต่รอนยังไม่รู้จักหลักมีการเอาตัวรอดนะัก พะวงแต่จะยิงร้างผ่านพวกมันเหล่านั้นมากกว่าที่จะคิดหลีกลบหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายตัวที่วิ่งแตกตื่นเฉียดห่อนไปอย่างบุบวิดชนิดที่หล่อนยิงไม่ทันและมัวงงอยู่หลบเข้าโคลนรัว่วอย่าออกมาพผานใหญ่ตะโกนเสียงหลงพร้อมกับเพ่นตรงเข้าไปยังหลอนยามนั้นดูหลอนจะไม่ได้ยินเสียงของเขาเสียแล้วสะบัดปากกระบอกไรเฟิ่อจี้ตามเจ้าตัวหนึ่งที่วิ่งเป็นพายุสนาตัน โดยที่หารู้ไม่ว่าบัดนี้เยื้องออกไปทางเบื้องหลังงวงของไอ้ไวร้ายอีกตัวหนึ่งฟาดเฉียดร่างของหล่อนไปอย่างจวนเจียนรพินเหนี่ยวไก่ตูมทั้งๆ้งที่ทททยังวิ่งอยู่มันก็เป็นเวลาเดียวกับที่หล่อนปล่อยกระสุนเข้าใส่ตัวที่เร่งไว้เสียงระเบิดดังขึ้นพร้อมกันอีกครั้งตัวที่ตกเป็นเป้ากระสุนของหล่อนวิ่งเข้าไปล้มกลิ้งอยู่ในพุ่มไม้เพราะถูกเข้าก้านคออย่างจังแต่ตัวทางเบื้องหลังที่ถูกเอาลูกปืนของรพินเข้าไปในระหว่างซ้อขาหน้า ก่อนจะคู้ข่ขาวเสียการทรงตัวลงมันงัดงวงอันใหญ่โตขึ้นอีกครั้งกระทบตะโพกด้านหลังของหญิงสาวพระลอยขึ้นทั้งตัวกระเดินไปจากที่เดิมประมาณสามสี่วาไรเฟื่นหลุดจากมือตัวเองลงไปนอนกลิ้งอยู่ระบินใจหายว่ากระโจนเข้าไปที่ร่างของหล่อนโดยเร็วหิ้วแขนกระชากขึ้นหล่อนจะได้อันตรายบ้างหรือเปล่าในขณะนั้นเขาไม่สามารถจะทราบได้แต่เห็นหญิงสาวถะลันขึ้นยืนตามการจุดของเขาอย่างรวดเร็ว ครุบลาเฟื่ติดมือขึ้นมาด้วยโดยไม่เสียสติเขาผลักหล่อนเซถนาเข้าไปในภูอันกว้างใหญ่ของโคนต้นกระเลียงข้างหลังท่ามกลางประสาทหูอันอื้ออึงแววคลับคล้ายกับข่าวว่าจะได้ยินเสียงแหลมกีดของดอนร้องเตือนมาแล้วผิดหมุนตัวควับเลือดในกายของเขาก็จับแข็งเป็นก้อนไปในบัตรนั้นกําแพงเมืองจีนหรือมิฉชันนันก็พบสุเมนบรนพบลูกหนึ่งกลิ้งแผ่นดินสะเทือนมาถึงตัวเขาเสียแล้ว บังทุกสิ่งทุกอย่างให้หายวับไปกับตานอกจากความมโหราณของร่างกายสีดำสนิทนั้นดวงตาอันเล็กตีไม่สมกับส่วนศีรษะอันมะหึมาปานรถบทถนนเต็มไปด้วยประกายมุ่งร้ายหมายขวัญงาข้างหนึ่งแหลมพ้นปากออกมานิดเดียวส่วนอีกข้างอวบใหญ่ยาวเฟื้ยปลายแหลมราวกะพอกและบัดนี้งาข้างนั้นปักดิ่งตรงเข้ามาในระดับกลางลาตัวของเขาตืนในมือไม่มีประโยชน์เสียแล้ว เพราะปากกระบอกสายเป็ดปากไปอยู่เสียทางใดไม่ทราบได้จะถอยหลบก็สายเสียยิ่งกว่าสายด้วยวันนี้ปลายงาเม จ, จุราชพุ่งแหวกอากาศเข้ามาที่ตัวเขาห่างไม่ถึงซอกในสายตาเบิกโพรงที่หันมาพบเข้าพอดีนี้สัญชาติยานอนอกเหนือการบังคับเท่านั้นที่ทําให้เขาเอี้ยวตัวแล้วก็รู้สึกในพริบตาต่อมาว่าแท่งงาอวบใหญ่ข้างนั้นทะลวงผ่านซอกสีข้างลงไปปักสวบตึงแน่นอยู่กับดิน ตัวเองจ้ำเบ้าหงายหลังลงกับพื้นหัวใหญ่ม่หึกมาก้มลงมาคร่อมทะมืนบังโลกทั้งหมดไว้อย่างเหนียวแน่นและด้วยกําลังที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วพินใช้แขนตวัดรัดรอบงาของมันไว้พลิปตาต่อมาก็รู้สึกว่าถูกงัดวูบลอยขึ้นแขนที่รัดรอบงาก็พันหลุดออกด้วยกําลังเหวี่ยงมหาศาลตัวเองลอยเคว้งคว้างขึ้นไปกลางอากาศเหมือนจะระเหิดขึ้นไปยึดสู่อีกโลกหนึ่งกําหนดไม่ถูกว่า พื้นดินหรือท้องฟ้าอยู่ทางด้านไหนมันโด่งสูงขึ้นไปก่อนแล้วก็วิวลงมาท่ามกลางอากาศเอ็นเย็นเฉียบระหว่างนั้นดูเหมือนจะได้ยินเสียงปืนลั่นกึกก้องขึ้นอีกนัดหนึ่งจากนั้นความรู้สึกทั้งมวลของเขาก็ดับวูบเหมือนสวิตไฟถูกตัดความรู้สึกค่อยๆกลับคืนมาอย่างระบบประสาทของเขาทีละน้อยเหมือนอยู่ในความฝันที่มีอาการผีอำ แววเสียงเรียกชื่อลอยมาจากไกลแสนไกลเลือนๆลางๆประดุดภาพพ้าบนจอโทรทัศน์ที่ยังปรับไม่เข้าที่พยายามเปิดเปลืกตาขึ้นทว่ามันมืดไปหมดคันแล้วขานประสาทก็สัมผัสกับกลิ่นหอมเย็นจนทำให้ต้องชงนบอกไม่ถูกว่าตนเองอยู่ที่ใดและภาวะไหนสัมผัสค่อยๆแจ่มชัดขึ้นมาอีกรู้สึกว่าศีรษะวางพาดอยู่กับความอ่อนนุ่มอบอุ่น บนใบหน้ามีอะไรเย็นเย็นซาซาซับอยู่แผ่วเบากลิ่นหอมสดชื่นมาจากสิ่งที่แตะอยู่กับหน้าเขานั่นเองแล้วก็ได้ยินเสียงเรียกอย่างร้อนรนว่าระพินระพินขยับตัวออโอ้โหมันขยับยอกล้าระบบไปทั้งสารพางกายแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือตระหนักตนเองได้ดีว่ายังไม่ตายม่านตาของเขาขยายกว้างขึ้นในทันทีนั้น แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเข้ามาในความรู้สึกครบถ้วนพบร่างของตนเองนอนหงายเหยียดยาวอยู่กับพื้นศีรษะพาดอยู่กับตักของนักมนุษย์วิทยาสาผู้เป็นนายจ้างหล่อนกําลังใช้กระดาษเช็ดหน้าแบบเครื่องสําอางที่มีติดตัวอยู่ซับอยู่ตามใบหน้าเขาพร้อมกับร้องเรียกเบาๆแล้วผินลุกขึ้นนั่งโดยเร็วแต่แล้วก็แยกเขี้ยวคลางอู้เอื้อมือไปกดที่หลังตนเองนี่ผมยังไม่ตายหรือนี่ยัง หลอนตอบตาเป็นประกายขึ้นด้วยความดีใจเมื่อเห็นเขารู้สึกตัวโชคดีหรือเกินที่คุณลอยลงไปตกในซุ้มเถาวันทีแรกชั้นใจหายหมดนึกว่าคุณคอหักเสียแล้วตัวดูไม่เห็นส่วนไหนบุบสลายไปหน่อยค่อยโล่งอกหน่อยพรานใหญ่กวาดสายตาไปรอบๆมันเป็นดงบริเวณเดียวกันกันกบที่เขาประจันหน้ากับไอแวงก่อนที่จะถูกงัดลอยขึ้นไปและตกลงมาหมดสตินั่นเองไอแวง เขาหลุดปากออกมาแหบๆจ้องหน้าร่อนมันไปไหนแล้วดาวินหัวเราะออกมาสีหน้าของร่อนยังเต็มไปด้วยริ้วรอยของความตื่นเต้นขวัญหนีดีฟอร์ตเหตุการณ์มันเปิดป่าราบไปแล้วตอนที่มันงัดคุณรอยขึ้นชิ้นยิงออกไปนัดหนึ่งไม่รู้ถูกตรงไหนเห็นเลือดสาดเป็นทางแล้วมันก็วิ่งตะบึงไปตามซ้ําไม่ทันรัฐพินสมบัติหน้าเร่าๆไล่ความมึนงงยังจับต้นชนปลายไม่ถูกนัก ทุกครั้งที่เขาขยับตัวมันแปรย่อไปหมดจนต้องส่งเสียงครางบัดนี้ป่ารอบตัวเงียบสงัดคงมีแต่ขาวและหล่อนเท่านั้นแล้วนี่พวกเราไปไหนกันหมดแล้วครับดาลินถอนใจเบาๆสั่นศรีรษะพางมองไปรอบๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากฉันยิงไอ้แหวงเป็นนัดสุดท้ายแล้วก็ได้ยินเสียงปืนลั่นห่างๆอีกสองนัดจากนั้นทุกอย่างก็เงียบไปหมดฉันลองกูเรียกอยู่ภากหนึ่งแล้วไม่ได้ยินเสียงใครตอบมาเลย ก็เลยไปล่ากคุณออกมาจากพงเถาวันปลุกให้ฟื้นขึ้นมานี่แหละว่าแต่คุณเถอเป็นยังไงบ้างหญิงสาวถามพรานใหญ่รูปคำสำรวจดูตามแขนขาของตนเองอีกครั้งแล้วถอนใจเฮือกคนยังไม่ถึงที่ตอนที่ลอยขึ้นไปผมคิดว่าผมตายแล้วไม่นึกว่าจะรอดเลยเคล็ยอบ้างนิดหน่อยเท่านั้นคงไม่เป็นไรนักหรอกว่าแต่นี่ผมหมดสติไปนานสักเท่าไหร่ ก็ไม่นานหรอกสักค้าหนาทีเห็นจะได้คงจะเป็นเพราะจุกอีตอนที่หล่นลงมาถึงแม้จะมีพงถาวันรับแบ่งเบาน้ำหนักไว้บ้างตัวของคุณก็ลงมาถึงพื้นอยู่ดีและพินพยุงกายลุกขึ้นยืนสะบัดแขนขาทดลองดูพร้อมกับเดินขยเยกไปสองก้าวและหันมาทางหญิงสาวผู้บตดนี้กำลังจับตามองดูอาการของเขาด้วยความเป็นห่วงถามว่าเป็นยังไงมีอะไรผิดปกติไหมเห็นจะไม่มีหรอกครับ ยอดๆเสียวๆที่สะบักซ้ายนี่เท่านั้นว่าแต่คุณหญิงเถอะผมเห็นถูกงวงมันฟาดกระเด็นไปไม่ได้เป็นอะไรเลยหรอกหรือหล่อนสันศีษะยิ้มออกมาไม่หรอกตอนนั้นฉันก็ไม่เห็นว่ามันทำยังไงกับฉันเพราะมันเข้ามาข้างหลังรู้สึกเหมือนถูกใครผลักให้ขมำป น, น้าไปแรงๆเท่านั้นปกติเรียบร้อยดีทุกอย่างฉันเพิ่งจะมีโอกาสเห็นไอ้แหวงถนัดตาคราวนี้มันใหญ่โตมโหฬารหือเกิน แล้วก็น่าเสียดายที่โอกาสของเราพลาดไปอีกแล้วทั้งๆ ท, ที่พบกันจังหน้าที่สุดความจริงฉันก็ยิงเข้าใส่มันอย่างเผาขนที่สุดแต่อารามรีบร้อนตกใจเลยไม่ทันเล็งหันลำกล้องตรงก็ซัดตูมเลยสงสัยจะเข้ากลางลำตัวเห็นเลือดออกมากหยดเรียร้ยเป็นทางไปทีเดียวพอถูกนัดนั้นมันก็ออกวิ่งป่าถล่มไปทีแรกนึกว่ามันจะแวงเข้าส่ฉันซสอีกว่าแล้ว หล่อนก็ชี้ให้ดูรอยเลือสดสดๆที่กองอยู่กับพื้นน่ะเรียร่าเป็นทางไปตามทิศทางที่มันตะลุยพระนี้หยดอยู่เป็นย่อมย่อมราวกับใครมาทำถังสีหกไว้พรานใหญ่เดินรากขาไปตามตรวจ ด, ดูร่องรอยเหล่านั้นอยู่ระยะหนึ่งก็เงยหน้าขึ้นตาเป็นประกายไปด้วยความหวังแบบนี้ก็สบายแล้วครับถึงไม่ถูกที่สำคัญก็เจ็บหนักไปทีเดียวตามไม่ยากแล้วผมเองยิงไม่ทันพอหันกลับมามันก็ถึงตัวเสียแล้ว โชคดีที่คุณหญิงไม่เสียสติอุตส่าห์ยิงมันได้อีกนัดหนึ่งตอนที่มันงัดผมรอยขึ้นไปถ้าไม่ถูกนัดนั้นมันอาจวิ่งเข้าไปกระทือผมซ้ําแหลกไปแล้วก็ได้พวกนั้นเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เงียบฉี่ไปเลยหล่อนเอ่ยขึ้นอย่างร้อนใจควักบุหรี่ออกมาจุดสู่เป็นตัวแรกแลรพินขยเกลับก็ามาซืดตัวลงนั่งเอี้ยวคอดัดไปมาคงไม่มีใครเป็นไรหรอกครับมีเราสองคนเท่านั้นที่บุกเข้ามากลางโครงของมัน นอกนั้นล้อมดักอยู่ทางด้านนอกเท่านั้นประดี๋ยวก็คงตามเข้ามาพบเองไม่ทันขาดคำก็มีเสียงกู่โวกเวกแว่วใกล้เข้ามาพร้อมกับกิ่งไม้ล้านสวบสาบพรานใหญ่กู่รับออกไปไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นชายยันและอีกสี่คนที่แยกย้ายกันออกไปสมทบกันมาเป็นหมู่โผล่ออกมาจากพุ่มไม้ตอนหนึ่งแล้วเดินตรงเข้ามาอย่างรีบร้อนสีหน้าของแต่ละคนเต็มไปด้วยความเร่าร้อนกระวนกวาย แต่พอมองเห็นดาดินกับพรานใหญ่นั่งรออยู่ครบหน้าต่างก็ถอนใจออกมาโล่งอกแล้วฝ่ายที่เพื่อนจะเข้ามาสมทบตีหลังก็รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทางด้านนี้อย่างละเอียดโดยการบอกเล่าของดาดินเต็มไปด้วยความสนุกขวัญแขวนแล้วก็ยินดีในการรอตายอย่างหุดหิดของทั้งสองชายยันกราดเข้ามาจับไรลรพินบีบแน่นเทวดาระจาตัวของคุณแข็งเหลือเกินเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ทีเดียว นึกไม่ถึงว่าคุณจะมีโอกาสได้เข้าประชิดตัวมันจนถึงกับฟัดกับมันด้วยมือปล่าแบบนี้นิเช่ถาลุข้าก็คงแทบช็อกทีเดียวจอมพราน ห, หัวเราะ ก, กล่อยๆผมก็ไม่คิดเหมือนกันเลยครับตอนนั้นให้พระอินลงมาเขียวๆบอกผมว่าผมไม่ตายผมก็ไม่เชื่อมันแทงผมผิดไปนิดเดียวอารามตกใจก็เลยกอดงาของมันไว้แน่นกะว่าจะไม่ยอมปล่อยทีเดียวแต่อีตอนมันงัดสะบัดขึ้นไม่ทราบว่าหลุดลอยไปท่าไหน โชคดีที่คุณหญิงยิงสกัดไว้ทันทําให้มันเปิดหนีไปก่อนที่จะเข้าไปซ้ําผมยิงช้างมาร่วมร้อยแล้วไม่เคยถึงกับต้องตะลุมบอลกับมันแบบมือเปล่าอย่างนี้อย่างมากก็แค่วิ่งหนีเท่านั้นจากการบอกเล่าของชายยันและจันซึ่งแยกกันไปคนละด้านปรากฏว่าคนทั้งสองฝ่ายย่องเข้าไปทางด้านใต้ลมพยายามมองหาช้างโขลงนั้นก็ไม่เห็นเงาของพวกมันสักตัวเดียวทั้งทั้ที่สัมผัส บ, บอกชัดว่า พวกมันแยกย้ายกันซุ่มนิ่งอยู่ในดงผานั่นเองอันเนื่องมาจากป่าทึบมากจนเกินกว่าที่จะมองเห็นอะไรได้ถ น, นัดครั้นแล้วทันทีนั่นเองก็ได้ยินเสียงพวกมันร้องขึ้นพร้อมกับเสียงปืนซึ่งก็เป็นเสียงปืนจากด้านระพินและดารินนั่นเองทั้งสองฝ่ายจึงพอจะสังเกตเห็นพวกมันได้ในขณะที่เกิดปั่นป่วนขึ้นการยิงได้เกิดขึ้นในระหว่างที่มันบุกตรุยแตกตื่นออกมาจึงทําให้ไม่ถนัดนักเพราะต้องคอยหลีกหลบเอาตัวรอดไว้ก่อน และเป็นระยะที่ประชิดตัวหรือเกินทางด้านชายยันนั้นเกิดหุดหวิดจะถูกเหยียบตายไปเช่นกันชายยันกับแง่สายยิงช่วยไว้ได้ทันในวินาทีสุดท้ายส่วนทางด้านจันทร์นั้นเสยถึงกับทิ้งปืนเพ่นหนีขึ้นต้นไม้และจันทร์ก็หลบหนีเข้าไปอยู่ในโพรงไม้ใหญ่ผลสรุปปรากฏว่าทางด้านชายยันยิงล้มสองตัวและด้านจันทร์คว่าไปอีกตัวหนึ่งโดยมีนักผู้ที่ถูกยิงเจ็บไปอีกสองสมตัว เมื่อรวมกับทางรับพินดารินแล้วโคลงไอแหวงทั้งหมดก็ถูกล้มไปอีกถึงเจ็ดตัวต่อการบุบหวิดจวนเจียนต่อชีวิตของฝ่ายล่าทุกคนไอแหวงและบริวารส่วนใหญ่หลุดรอดไปได้อีกตามเคยแม้ว่าจะในลักษณะที่สะบักสะบอมบอบช้ำกว่าทุกคราวเสียดายเหลือเกินชา ย, ยันบนอย่างหมายมั่นหันไปมองดูหน้าเพื่อนสาวถ้านอยยิงนัดนั้นให้ปราณีตอีกสักนิดไอแหวงก็เกมแล้ว นี่มันเพียงแต่ได้แผลเพิ่มเติมไปอีกเท่านั้นดาลินหูวรอแค้นแค้นอัดควันบุหรีลึกเหมือนจะให้มันเข้าไปบรรเทาความอกสันขวัญเต้นที่เพิ่งจะผ่านพบเอาไว้ให้เหตุการณ์ที่ฉันพบมันเปนเชิญเข้ากับตัวเธอเองแล้วจะรู้หล่อนพูดแผบแผบที่อุตส่าห์เหนียวไกปืนออกไปได้ตอนนั้นก็นับว่าวิเศษสุดแล้วโธมันเอ็กไซส์สิจนไม่รู้จะบอกยังไงถูกอะไรก็ไม่สาคัญเท่ากับว่า เห็นมันเหวี่ยงพรานใหญ่ลอยดิ้วขึ้นไปบนอากาศกับตาตอนนั้นฉันก็คิดว่าเขาต้องแหลกละเอียดไปแล้วระหว่างที่ชูลมุลอยู่ฉันก็ว่าฉันต้องตายแน่เหมือนกันไม่รู้จะหลบไปทางไหนรอบตัวพวกมันทั้งนั้นแต่ละตัวชูงวงแผดเสียงร้องวิ่งเข้าใส่พวกเธอยังดีเพราะมีที่หลบฉันกระถินตกอยู่กลางโขงของมันเลยฉันเองก็ยังถูกงวงมันฟาดกระเด็นไปแล้วหญิงสาวก็คว้าจุด3ามเอเทอร์บีแมกนัม ที่วางผ้าอยู่กับตักขึ้นมาดูพร้อมกับโครงศีรษะช้าๆบนพำทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เพราะไอ้ปืนปติ๋วหลิวกระบอกนี่แหละซึ่งเรื่องนี้จะโทษฉันก็ไม่ถูกพวกเธอทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวการช่วยกันบังคับให้ฉันใช้ปืนเล็กกระบอกนี้ฉันใช้จุดสี่เจดศอยู่ดีๆแล้วให้เปลี่ยนสนี่ลูกมันเล็กแล้วก็คมเกินไปมิหนาซ้ายัางเป็นศูนย์กล้องขายายตั้งสเท่า ยิงช้างในระยะประชิดในดงทึบแบบนี้รอดตายมาได้ก็นับว่าปาฏิหาริ์นี่ถ้าเป็นจุดสี่เจ็ดูนย์แหว่งก็คง ก, งกองอยู่ที่ไปแล้วหรือไม่ก็คงไปไม่ได้ไกลคำพูดของรอนทำให้รัพพินกับชายยานันอึง้งไม่อาจโต้เถียงคัดง้างอะไรได้เพราะมันเป็นความจริงฉันก็ไม่ทันสังเกตเสียด้วยว่าตอนที่ออกเดินทางมานี่เธอถือปืนอะไรชัยยันพูดอ่อยๆที่ลง ความเห็นให้เธอใช้ปืนกระบอกนี้ก็พราแต่ตอนที่พวกเราตั้งรับมันบนเขาขณะที่มันบุก ค, คืนนั้นเท่านั้นเพราะเป็นระยะไกลและพวกเราอยู่ในที่มั่นปลอดภัยพอแต่ถ้าจะให้เดินไปจันหน้ายิงกันแบบนี้มันก็เล็กไปจริงๆเรื่องของเรื่องก็คือว่าเธอไม่รู้จักเลือกใชใ้ถูกกับภูมิประเทศและเหตุการณ์นั่นเองแต่เอาละ่ะพวกเราสามคนยอมรับผิดในข้อนี้แต่ผมมั่นใจว่า นดสุดท้ายของคุณหญิงจะช่วยให้เราถึงตัวมันเร็วขึ้นรับรองว่าไม่เกิน4ี่ชั่วโมงนี้แหละครับโชคชัยเห็นอยู่ใกล้ๆนี่แล้วรพินกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแล้วยักหน้าเรียกชายยันให้เข้าไปสังเกตรอยเลือดที่กองเรียราดอยู่บอกเบาๆต่อมาว่าสงสัยว่ากระสุนผ่านเขา้ากลางลำตัวแล้วทะลุเลยออกอีกด้านหนึ่งแม้จะไม่ถูกกระดูกอ ว, วัยวะภายในก็คงจะถูกทาลายไปบ้าง ลงเลือดออกแบบนี้ถึงไม่ตายก็ตายแน่แต่อาจช้าหน่อยถ้างั้นจะช้าอยู่ทําไมรีบสาวรอยเลือดมันไปเดี๋ยวนี้เถอะความหวังของเรากใกล้เต็มทีแล้วนี่ชา ย, ยันพูดโดยเดียวอย่างตื่นเต้นแต่พรานใหญ่ยิ้มอย่างใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนหรอกครับลงแบบนี้จะเย็นได้แล้วนั่งกินข้าวกลางวันกันให้สบายซะก่อนเถอะประเดี๋ยวค่อยตามมันไปไม่ไหนไม่พ้นหรอกชา ย, ยันพยักหน้าคล้อยตามโดยดี ทั้งหมดนั่งพักร่วมกลุ่มและรับประทานอาหารกลางวันที่นั่นขณะนั้นมันเป็นเวลาบ่ายโมงเศษอาหารมื้อกลางวันเป็นอาหารสําเร็จรูปที่ห่อเตรียมมาตั้งแต่เช้าโดยไม่ต้องก่อไฟหุงหายเสียเวลาต่างบรรจุกระเพาะกันเพียงให้หนักและหมดภาระไปมื้อหนึ่งเท่านั้นพอบ่ายสองโมงตรงก็พร้อมที่จะออกเดินทางตามล่าตามล้างโคลงช้าไมฤตยูต่อไปจนถึงที่สุดอีกสองหุบลึกต่อมา รอยของไอแ้แหวงก็นำขึ้นสู่เขาใหญ่รูปหนึ่งอันเป็นเส้นเดียวกับเขานางเขตติดต่อกับผูกหมาหอนรอยเลือดของมันเป็นเครื่องนำทางที่ชัดเจนอยู่ทุกระยะนอกเหนือไปจากรูกทางที่หักป่าเป็นแนวร่งไปราวกับใครเอาแท็กเตอร์มาทางไว้มีรอยของการหยุดพักเป็นระยะและเลือดไหลเป็นกองโตในทุกตาแหน่งที่มันพักการเดินของมันช้าลงเป็นลาดับเมื่อระยะทางผ่านไปหนึ่งชั่วโมงมีรอยหยุดถี่ขึ้น แต่บริวารทุกตัวไม่ได้ทอดทิ้งจากโครงของมันเลยคงจับกลุ่มเหมือนจะคอยช่วยเหลือประคับประคองอยู่ตลอดเวลาพรานใหญ่อ่านรอยเหล่านั้นไปด้วยความพอใจยิ่งแล้วก็เร่งฝีเท้าขึ้นอีกร่องรอยเหล่านั้นเป็นกําลังใจให้ชายยานดาลินบุกวันต่อไปอย่างแทบจะลืมความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพี้ยโดยสิ้นเชิงปืนของนายหญิงไม่ผิดหวังไอ้แหว่งไม่มีทางรอดแล้วแง่าสายติดรังกระชั้นชิดมากระสิบเบาๆกับดาลิน เธอแน่ใจหรือแงซายหล่อนหันมาถามด้วยสีหน้าตื่นก็เห็นยิ้มกว้างๆของคนใช้ชาวดงมองท่อไปอยังพลานใหญ่ผู้กำลังนำรุดไปเบื้องหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนายหญิงเองไม่รู้ว่ายิงถูกมาตรงไหนแต่รอยเลือดที่เราตามมาบอกชัดว่าจักันถ้าเลือดออกไม่หยุดมันก็ตายดาดินสันส่นศีษะอย่างไม่เห็นด้วยฉันยังไม่อยากเชื่ออะไรทั้งสิ้นรอยเลือดเหล่านี้อาจหายไปไม่ไหร่ก็ได้ ถ้าแผลชะกันจริงมันควรจะล้มลงแล้วแต่รอยที่เห็นมันยังเดินออกตัวปลิวอ้อมไหล่ขาวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือครึ่งลูกกองเลือดที่นำทางเป็นระยะมาเหล่านั้นก็อันตรธานหายไปคงเหลือแต่รอยตีนร่องกลงของการเดินของมันเฉยๆพรานใหญ่ตามต่อไปได้ประมาณสองสรหลาก็หยุดชะงักเม้มริมฝีปากแน่นยืนกว่าสายตาไปรอบด้านอย่างง ง, งๆเลือดมันหยุดแล้วกันมัง ชายันกระซิปพระพินสันสีษะช้าช้าเป็นไปไม่ได้หรอกครับจากเลือดหย่อมสุดท้ายที่เห็นไม่มีท่าเลยว่าเลือดของมันจะหยุดตรงได้อย่างปัจจุบันทันด่วนแบบนี้แล้วทําไมมันหายไปเฉยเฉยอดีตนายทหารปืนใหญ่ร้องขึ้นอย่างประหลาดใจระหว่างที่พผานใหญ่กระพริบตางงอยู่ไม่อาจบอกอะไรได้ดาดินก็อุทานออกมาฉันว่าแล้วนึกไม่ผิด ไอ้ช้างผีสิงนั่นเล่นกลเอากระเปาอีกแล้วก็รอยของมันเห็นอยู่ชัดๆรู้มาทางนี้ไม่ใช่หรือเราตามไม่ผิดแล้วนี่กระชั้นรอยเข้าไปอีกเถอะรพินรอยเลือดอาจเว้นระยะห่างออกไปก็ได้ชายยานกล่าวมาอีกอย่างร้อนใจจอมพรานไม่เอ่ยอะไรออกมาในทันทีนั้นทออตาตามรอยตีนช้างใหม่ๆเหล่านั้นไปอย่างรังเลดึงชายผ้ากัม้ที่เขียนเอวอยู่ขึ้นมาทราบเมื่อ แล้วทันทีนั้นขมวดคิ้วเอ่ยขึ้นโดยเร็วว่าเอ๊ะ e, แงาซายหายไปไหนทุกคนเหลียวมองหาแล้วก็เพิ่งจะรู้แบบนี้เองว่าในคณะขาดหายแงาซายไปคนหนึ่งต่างเต็มไปด้วยความสนเท่ก็เมื่อตะกี้นี้ยังเห็นเดินตามหลังฉันอยู่หลัดๆนี่นาดาลินพูดโดยเร็วพรานใหญ่ไม่เอ่ยคำใดอีกเลยโบกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนเดินตามเขามา แล้วก็บ่ายหน้าย้อนรอยเดิมกลับไปทางเก่าโดยเร็วพอพ้นพุ่มไม้ใหญ่ทุกคนก็เห็นหนุ่มชาวดงพเนจรผู้ลึกรับนั่งอยู่ที่โขดหินก้อนหนึ่งเหนือหน้าผาหินอันเป็นทางราด45องศาตัดลงไปยังดงเบื้องล่างระดับสูงประมาณ15หลาและผินจ้องเจ้ากระเลียงร่างยากักษ์ด้วยสายตาอันคมกริบค้นหาขณะที่สาวเท้าเข้ามาใกล้แง่ายคงนั่งสีหน้าเรียบเรียบเป็นปกติ จนกระทั่งเขาเข้ามาหยุดยืนจ้องอยู่ตรงหน้าแง่ า, ายทำไมแกมานั่งอยู่ที่นี่ผมต้องขออภยัยหนามตำตีนผมผมกำลังเอาหนามออก